สวัสดีพี่หนปีใหม่พี่น้องทุกคนนะครับปีนี้เราเพิ่งเจอกันนะครับรู้สึกนานมากนะครับจริงๆแล้วเพิ่งสองสามวันเองนะครับเราขอบคุณพระเจ้าว่าพี่น้องคงสบายดีนะครับทุกคนสบายดีนะครับมีชายหนุม่มคนหนึ่งนะฮะเป็นทหารทหารมีกันในยุคก่อนเน้นเขาอ่า จะต้องถูกส่งไปยึดตามพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขนาที่อยู่สนามรบนั้นทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้ประชาชนมีโอกาสได้หนุนใจทหารที่อยู่นแนวหน้าก็คงไม่ต่าง ก, ก, กันกับเวลานี้ที่หลายๆครั้งที่เราก็ส่งข้อความส่งกำลังใจไปให้กับทหารตำรวจทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ แต่ว่าเรื่องนี้นี่มันนานมาแล้วนะครับยุคที่ยังใช้จดหมายกระดาษนะฮะไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีโทรเลขนะครับนายทหารคนหนึ่งเขาอยู่ในสนามรบเข า, เาได้รับจดหมายหนุนใจจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสองคนนี้ที่ส่งจดหมายให้กันนี่เป็นคริสเตียนพอดี คำลงท้ายก็จะมักจะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าคุ้มครองนะครับในเวลาที่ยาวนานที่เขาอยู่ในสนามรบนั้นเขาก็ได้รับกำลังใจอยู่ตลอดเวลาและเขามีโอกาสที่จะกลับไปอย่างบ้านของตัวเองในเมืองชิคาโกนะครับเขาก็มีจดหมายเขียนจดหมายนัดกันนะครับว่า เ, เราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแล้ว หญิงสาวบอกว่าเขาจะแต่งตัวแล้วก็เธอจะกลัดดอกไม้สีแดงที่หน้าอกนะครับที่สวนสาธารณะแล้วก็มีร้านอาหารใกล้ๆสวนนั้นในเวลานัดครับนายทหารพวกนี้ก็ไปนั่งรอที่สวนสาธารณะในใจก็อธิษฐานนะครับอยากจะเจอคนที่เขา หนุนใจมาตลอดนะคนที่ให้กำลังใจเนี่ยด้วยคำหนุนใจที่อบอุ่นนะครับอยากจะเจอหน้า ก, กันสักทีหนึ่งนะครับพ อ, อใกล้ถึงเวลาเที่ยงมีหญิงสูงอายุคนหนึ่งนะครับน่าจะราวๆรุ่นยายแต่งตัวชุดสวยงามเดินผ่านมาแล้วก็ที่หน้าอกกลัดดอกไม้สีแดง ใช้ทหารหนุ่มมองไกลๆเดินเชื่องช้าตายแล้วพระองค์เจ้าข้าหญิงคนนี้หรือที่นัดฆ่าพระองค์ทานอาหารเที่ยงอธิษฐานเงยหน้าขึ้นมาโอ้พระองค์เจ้าเธออายุราวแปดสิบรุ่นยายเลยทีเดียวคนนี้หรือพระองค์เจ้าข้านะครับ แล้วหญิงคนนี้ก็บอกว่ า, าจะไปทานอาหารด้วยกันไหมนะครับชายหนุ่มเบอกว่าทานรหนุ่มคนนี้บอกว่ า, อาขอบคุณมากผมมีนัดกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วขอบคุณมากผมจะนั่งรอเธอนะครับแล้วก็นั่งลงอธิษฐานก้มหน้าอธิษฐานอีกเงยมาขึ้นมา เธอก็ยังไม่ยอมเดินไปไกลๆเพราะว่าเดินเดินช้าอยู่แล้วนะฮะก็เลยพระองค์เจ้าข้าเป็นไงเป็นกันถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์แล้วเขาก็ลุกไปจับแขนของหญิงคนนี้น่าจะอายุราวๆแปดสิบคุณครับผมยินดีไปทานอาหารเที่ยงกับคุณแล้วคุณยายก็บอกว่าเปล่า ฉันไม่ได้เป็นคนนัดผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารต่างหากเขาฝากให้ฉันกัดดอกไม้นะครับคุณควรไปทานอาหารกับผู้หญิงคนนั้นชายหนุ่มเป็นไงครับถ้าเป็นความรู้สึกพวกเรานะครับเขารีบวิ่งเดินจำอ้าวนะครับไปที่ร้านอาหารแล้วก็ได้พบกับคนที่เขานัดกันไว้นะครับ ได้พูดคุยหนุนใจกันอธิษฐานเพื่อกันตลอดมาเพราะพ้นจากราชการทาหารสุดท้ายครับแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเกิดขึ้นครับแต่งงานกันน้ำพระทัยของพระเจ้าพระพรของพระเจ้ามีมาถึงคู่นี้นะครับพระเจนะของพระเจ้าที่อยากจะนำมาแบ่งปันพี่น้องในบ่ายวันนี้นะครับจากพระธรรมมาละกวบทที่หกข้อสามสิบถึงสี่สิบหกนะครับ เนื่องจากยาวนะครับก็จะเล่าเป็นเหตุการณ์ให้พี่นองฟังก็แล้วกันนะครับในพระธรรมตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้ า, าเสร็จจากการสั่งสอนสาวกแล้วนะครับพระองค์กำลังจะเดินทางไปพักผ่อนแต่ว่าประชาชนได้ยินชื่อเสียงของพระองค์ที่ทำการอัศาจรรย์มากมายแล้วเขาก็ติดตามพระเยซูไปนะครับจนเวลาเย็น ปรากฏว่าในแถบนั้นไม่มีร้านอาหารใดๆเลยพระเยซูก็บอกกับสาวกว่าให้เลี้ยงประชาชนเหล่านี้สินะครับทั้งสาวกก็พากันไปหาอาหารและฟิลิปทูลกับพระเยซูว่าให้ เ, เงิน200เดนา ร, ริอันซึ่งเป็นค่าจ้างของแรงงานก็ไม่สามารถเพียงมีเพียงพอที่จะเลี้ยง ประชาชนเหล่านี้และในหมู่นั้นในหมู่ประชาชนนั้นมีเด็กคนหนึ่งนะครับมีอาหารที่ติดมาก็คือขนมปัง5้าก้อนกับปลาสองตัวเขาก็พามาหาพระเยซูและเด็กน้อยคนนี้ก็ให้อ า, อาหารที่เขามีอยู่นั้นให้กับพระเยซูแล้วสิ่งที่พระเยซูทําก็คือว่าพระองค์ยกขนมปังนั้นแหงนหน้านะครับภาษาปัจจุบัน ไม่รู้คนปัจจุบันรู้จักคําว่างแงันไหมครับ <c oughs> เงยหน้านะครับพระกัมพีนี้เมื่อ 40, 40ปีที่แล้วนะใช้คําว่างแงันนะครับนะครับเงยหน้านะครับ อ, อ, อ่านถูกๆนะครับไม่ใช่แหงนนะครับเงันนะครับเงยหน้าเงยหน้าดูฟ้าสวรรค์แล้วก็สาธุการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็หักขนมปังนั้นแจก ก, กับปลานั้นแจกให้กับประชาชนประชาชนทั้งหมดพระเยซูสั่งให้เขา ให้สาวกไปบอกเขานั่งเป็นกลุ่มๆกลุ่ ม, ล, มละห้าสิบห้าิบคนห้าสิบคนประชาชนที่นับเฉพาะผู้ชายนั้นมีห้าพันคนและเขาได้กินอิ่มทุกคนเก็บได้อีกสิบสองกระบุงนี่คือตอนบทที่ข้อที่สามสิบถึงข้อที่สี่สิบสามเอสี่สิบสี่นะครับอีกสองข้อนั้นต่อไปยังบอกอีกว่าพระเยซูก็ลงเรือนะครับ ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลกาลิลีเพื่อจะไปฝั่งเบสไซดาแล้วพระองค์ให้เขาทั้งหลายนะครับแล้วพระองค์ก็เสด็จไปอธิษฐา น, นที่นั่นนะครับนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้บันทึกไว้เราเห็นอะไรครับเห็นพระพรของพระเจ้าที่พระคริสต์ขตเจ้า ได้กระทำจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมกิตติคุณทั้งสี่เล่มนะครับมทิวมารโกรลูกายและยอนนะครับถูกเป็นเรื่องหนึ่งในที่สำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในสี่เล่มเพราะบางเรื่องนั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้ทั้งสี่เล่มเราเห็นถึงพระพรของพระเจ้าท่ามกลางคนเหล่านี้ที่ติดตามพระเยซูไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าคนเหล่านี้ติดตามไปเพราะอยากกิน ติดตามพเพราะอยากเห็นการอัศจรรย์ก็แล้วแต่แต่เราจะมาค้นหาพระพรของพระเจ้าว่าในปีใหม่นี้เมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีหนทางหรือว่ามีวิธีอย่างไรที่จะรับพระพรของพระเจ้าเราก็หายหาพระพรของพระเจ้าอยากจะรับพระพรของพระเจ้าเหมือนกับประชาชนเหล่านั้นอยากจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูอยากจะกินอาหารเย็นแต่ไม่มีอาหารให้กินเขาทําอย่างไร นะครับบ่ายวันนี้ขอบคุณน้องโนเกียนะครับที่ให้เวลาผมเพิ่มอีกสิบนาทีปกติเราจะเริ่มแบ่งปันตอนบ่ายส า, ายโมงนะครับตอนนี้เมื่อกี้ได้มาอีกสิบนาทีนั่นคืออารมณบทนะครับผมจะแบ่งปันเจประการด้วยกันหวังว่าจะจบตอนที่สามโมงครึ่งนะครับเจประการนี้ที่เราจะรับพู้พรของพระเจ้าด้วยกันประการที่หนึ่งครับมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก ในข้อที่34บอกว่าครั้นพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาและเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาทั้งหลายหลายข้อหลายประการพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์มีจิตใจสงสารเขาเห็นเขาเป็นเหมือนลูกแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงไม่มีใครดูแลเขาพระองค์ทรงสงสารเขามีเมตตาต่อเขาคําว่าเมตตา คำว่าสงสารนั่นคือการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยพระเยซูจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะไปพักนะครับแล้วคนหมู่มากก็ตามพระองค์ไปนะครับพระองค์สละเวลาที่ควรจะพักให้กับเขาเหล่านั้นด้วยเหตุความเมตตาสงสารความรักของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นแรงผลักดันทำให้พระองค์สละ เวลาของการพักผ่อนนั้นดูแลพวกเขาอยู่กับพวกเขาสอนเขายอห์นบทที่3ข้อสิวันที่2 5ผมเทศไปแล้วนะครับพระบพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือความรักของพระเจ้าความรักของเปรีสรีเจ้ า, า, จาที่รักมวลมนุษ ย, ยชาต พระเยซูคริสต์เจ้าดูือประชาชนคนเหล่านั้นนับหมื่นคนมีเฉพาะผู้ชายนั้น5้าพคนและเด็กและผู้หญิงก็น่าจะสักสอง0มื่นคนนะครับเท่ากับสนามกีฬาทีมฟุตบอลเล็กๆนีที่มา น, นั่งดูคนดูเต็มประมาณสอง0มื่นคนนะครับเท่ากับประมาณเกือบเต็มความจุสนามสุภาสละสัยนะครับสอง0มื่นคนพระเยซู สอนพวกเขาและคนเหล่านั้นต้องการที่จะเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ความรักของพระยซูคริสต์เจ้านั้นพระกัมภีร์ได้บอกว่าพระองค์สละบันลังแห่งฟ้าสวาสรรค์สละความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังและเสียชีวิตของพระองค์นั้นตายบนไม้กางเขนฝูงแกะเหล่านั้น ประชาชนเหล่านั้นไม่มีผู้เลี้ยงเป็นคนที่เหี่ยจิตใจที่ขาดการดูแลจิตใจที่ห่อเหี่ยวจิตใจที่เหลวแหลกจิตใจที่หลอมละลายเหมือนกับน้าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หวังเขาจึงปรารถนาที่จะพบกับเปรียสคริสต์เจ้าผู้ที่ต้องการพปรียสคริสต์เจ้าผู้ที่ต้องการที่พึ่งทางใจนั้นทุกยุคทุกสมัยนั้นไม่เคยต่างกัน ทุกคนนั้นต้องการพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นต้องการพระเจ้าปรารถนาที่จะพบกับพระเจ้าเราทั้งหลายแล้วครับเราได้รับความรักจากพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เชื่อทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าสถิตอยู่ภายในนั้นชีวิตแห่งความรักของพระคริสต์เจ้านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าจึงบอกว่าให้เจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่า เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าทั้งหลายจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นและความรักของพระเจ้านั้นไม่มีที่สิ้นสุดพระเยซูคริสต์เจ้ามีจิตใจที่มีความเมตตาสงสารถ้าชีวิตของเราที่มีความรักครับเราจะรับพระพรและคนที่อยู่รอบข้างของเรานั้นก็จะรับพระพรเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีความรักคนทั้งหลายที่อยู่กับโรงนั้นก็ได้รับพระพรของพระเจ้าประการที่สองครับ มีชีวิตที่ถวายสิ่งที่มีอยู่แด่พระเจ้าบอกไปแล้วนะครับว่าในหมู่ประชาชนเหล่านั้นมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่เป็นอาหารติดตัวมานักศาสนาหรือว่านักตีความหมายพระคัมภีร์นักศึกษาพระคัมภีร์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อกันเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อการอัศจรรย์เขาคิดอย่างนี้ครับว่าประชาชนเหล่านั้น ต้องห่อข้าวติดตัวมานี่นะครับเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้ก็ยังมีขนมปังและมีปลาติดตัวมาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเห็นเด็กน้อยคนนี้เอาอาหารให้กับพระเยซูเขาจึงเกิดความละอายใจนะครับก็เลยควักเอาอาหารที่ตัวเองห่อมานั้นออกมากินนะแล้วก็แบ่งปันให้กับคนข้างๆแต่ผิดครับพระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นหมายสําคัญ เป็นหมายสําคัญที่พระเยซูกิจเจ้ากระทาพระองค์เงยหน้าขอบพระคุณพระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าแล้วหักออกส่งให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อแบบคนกลุ่มนั้นเราฉีกพระคัมภีร์ข้อนี้ทิ้งได้เลยแต่การอัศจรรย์นี่คือหมายสําคัญที่พระเยซูกิจเจ้ากระทาเป็นฤทธิเ์เดชของพระเจ้าเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์จากเด็กน้อยคนนั้นที่ ให้กับพระองค์พระวจนะของพระเจ้าได้ท้าทายเราหลายๆครั้งและตั้งแต่ตลอดพระคัมภีร์เลยว่าเมื่อเรามอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าเร า, เราถวายสิ่งที่เรามีอยู่ที่เป็นของพระเจ้าให้กับคืนให้กับพระองค์ถวายสิ่งของที่เรามีอยู่ให้กับพระองค์เพื่อันธกิจของพระองค์พระเจ้าก็อวยพรชีวิตของเราทสาง ในพระธรรมมารคีบทที่สามข้อที่สิบจงนาพระสางมาเต็มขนาดมาไว้ในคังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราเพื่อว่าและพระเจ้าท้าทายว่าจงลองพระองค์ในเรื่องนี้ดูทีว่าพระองค์จะเปิดบัญชรนท้องฟ้าในสวรรค์นั้นเทพร อ, อย่างให้ท่านทั้งหลายอย่างล้นไหลหรือไม่นะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่จุดกาเนิดของ เรื่องของท่าสางท่าสางเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมกาลบทที่17เจอับราฮัมซึ่งเป็นบนรรพุษคนแรกที่พระเจ้าทรงเรียกมาเป็นปบิดาแห่งความเชื่อถวายท่าสางหลังจากที่เขาไปรบกลับมาแล้วเขารวบชนะกษัตริย์ถึง1ิบเมืองและเขารีบเข้าของเหล่านั้นมาได้แล้วก็ถวายหนึ่งในสิบคือให้กับ เมลคีเสดเอกซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเป็นกษัตริย์อับราฮัมเป็นคนเริ่มต้นนะครับและเพราะอับราฮัมเชื่อว่าชีวิตของท่านนั้นพระเจ้าทรงเลี้ยงดูท่านนำหนึ่งในสิคืนอธวายแดปุโรหิตซึ่งเป็นผู้ตัวแทนของพระเจ้าและที่เหลืออีกเก้าส่วนนั้นคืนให้กับคนที่ท่านรบชนะมาเพื่อจะบอกว่า พระเจ้าเป็นผู้ทรงเลี้ยงดูไม่ใช่กษัตริย์ทั้ง10เมืองนั้นเป็นผู้เลี้ยงดูท่านเราทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เรามีอยู่นั้นหนึ่งในสิบหรือว่าสิบเซที่เรามีอยู่ทั้งร้อยนั้นเป็นของพระเจ้าเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่เราถวายแด่พระเจ้าความจริงทั้งหมดนั้นคือว่าสิ่งที่เราได้มาอยู่นั้นทั้งร้อยนั้น เป็นของพระเจ้าพระเจ้าประทานกำลังความสามารถให้กับเราเรานำส่วนศักดิ์สิทธิ์นั้นคืนให้กับพระเจ้าพระเจ้าให้เราอีก 90% เปเซเพื่อเราจะบริหารจัดการดูแลเพื่อจะยังชีพให้มีชีวิตอยู่ได้พระคัมภีร์ใหม่สอนเราว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแต่ส่วน พระวจนะที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีไม่ใช่ไม่ได้มีเฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่นะครับมีตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมแล้วพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ประชากรของพระองค์นั้นรู้จักให้รู้จักถวายด้วยใจยินดีไม่ใช่ด้วยระเบียบเพราะว่ามีระเบียบเรื่องสิบรถโอเคสิบรถก็สิบรถคืนให้กับพระเจ้าเป็นหน้าที่ไม่ใช่แต่ว่าแม้ว่าเราให้สิบรถแต่ให้ด้วยใจยินดีพระเจ้าก็จะเทพอรอย่างลงเอยไม่ในชีวิตของเรา เราให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็คืนให้กับเราครั้งหนึ่งเอลียาในเกิดในยุคของเอลียาเน้นเกิดการแห้งแล้งมีแม่ลูกคู่หนึ่งหญิงม่ายคู่หนึ่งนะครับเหลืออาหารอยู่ในหม้อเป็นแป้งสำหรับทําขนมปังก้อนสุดท้ายแล้วเอลียามาพักบ้านของมาพบ กับหญิงไม้คนนี้แล้วแถมไม่พอบอกว่าขออาหารให้ฉันกินหน่อยหนึ่งครับหญิงไม้บอกว่าท่านเจ้าข้าที่บ้านเรานั้นในไหมีแป้งเพียงให้ฉันกับลูกสำหรับทำอาหารมื้อหนึ่งดิฉันก็จะกินแล้วก็จะตายเอลียาบอกว่า ให้ท่านทําอาหารทําอาหารจากแป้งนั้นมาให้ฉันก่อนแล้วพระเจ้าจะโอดทรเจ้าหญิงไม้นี้ไม่คิดสงสัยอะไรเลยนะครับเขาก็ทําอาหารจากแป้งนี้แล้วก็นําไปให้เอลียาแล้วก็กลับไปดูที่หม้อกลับดูที่ไหปรากฏว่าแป้งมันเพิ่มขึ้นมาอัศจรรย์ครับมาจากไหน พระเจ้าทรงเพิ่มพูนให้กับเอลียาและต่อมาลูกของหญิงคนนี้ป่วยนะครับเอลียาก็ไปรักษาเอลียาไม่ได้เป็นหมอนะครับเอลียาเป็นคนของพระเจ้าท่านอธิษฐานเผื่อและนอนทับเด็กที่เสียที่ป่วยนี้เสียชีวิตนี้แล้วก็เขาก็หายและมีชีวิตอีกเอลียาก็คืนลูกให้กับ หญิงไม้คนนี้เขารู้จักให้พระเจ้าอวยพรให้เขามีชีวิตอยู่อีกแม้ว่าเขาเสียชีวิตลูกชายแต่พระเจ้าก็อวยพรให้ลูกชายนั้นกลับคืนชีวิตมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับถ้าเราได้มอบชีวิตของเราตะลันความสามารถ สิ่งที่มีอยู่นั้นถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มพูนพระพรให้กับเราไม่ว่าตะลานความสามารถอาชีพการงานนะครับเมื่อเราถวายท่าสามพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะปกป้องอาชีพการงานสิ่งที่เราทํานั้นไม่ให้พบกับอันตรายร่วมทั้งชีวิตในครอบครัวของเราด้วยพระเจ้าจะปกป้องไม่ให้ถูกการาทดลองหรือาการเผชิญกับสิ่งที่ล้มละลายพระเจ้าทรงสัตซ์ซื่อ พระเจ้าเที่ยงธรรมและพระองค์ทรงรักษาพันสัญญาของพระองค์เสมอให้เรามีชีวิตที่ถวายสิ่งที่มีอยู่นั้นแด่พระเจ้าแต่เราไม่ได้ถวายเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้าแต่เราถวายเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าและให้เราถวายด้วยใจเย็นดีประการที่3ครับให้เรามีชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูสั่งให้ประชาชนนั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละร้อยคนบ้าง50สิคนบ้าง แล้วเขาก็นั่งตามที่พระเยซูสั่งนั้นอาหารจึงแจกไปเพียงพอได้กับทุกๆ ก, กลุ่มในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำสั่งครับจงอย่างนั้นจงอย่างนี้นะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะเราเจอคำว่าจงเราเจอคำว่าอย่าเจอคำว่าให้นะครับพระเจ้ากาลัง สั่งเราให้เชื่อฟังพระองค์พระเจ้ากําลังเตือนเราที่จะไม่ทําในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ว่าเราเพราบว่าในพระคัมภีร์นั้นก็มีตัวอย่างที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็มีอย่างเช่นอดาดัมเอวาอย่างเช่นซาอูลที่ไม่เชื่อฟังพระองค์อดาดัมเอวานั้นเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ไล่เขาออกจากสวนเอเดนซาอูลซึ่งเป็นกรรษัตริย์คนองค์แรกของประเทศอิสราเอล เมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ถอดเขาออกจากตำแหน่งของกษัตริย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นบุคคลแรกของการเชื่อฟังอย่างสิ้นเชิงไม่มีเงื่อนไขนั้นเราจึงรับพระพรของพระเจ้าจากทางพระเยซูคริสต์พระพระเจ้ของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระพรแห่งการเชื่อฟังนี้ว่า ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติท่านทั้งหลายทั้งหลายทั่วโลกมิใช่ให้เป็นหัวมิใช่เป็นหางให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลงพระพรเหล่านี้จะตามทันท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนา องพันของท่านฝูงสัตว์ของท่านกระจายของท่านท่านจะรับพระพรเมื่อเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าครับนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าและเราก็พบว่าประชาชนเหล่านั้นเชื่อฟังพระเยซูนะครับเขานั่งเป็นกลุ่มๆพระเจ้าสัตซ์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์ประชาชนเหล่านั้นในเย็นวันนั้น นอกจากกินอิ่มแล้วยังมีเหลืออีกสิบสองกระบุงพระพรของพระเจ้าล้นไหลมากมายนะครับพระเจ้าประทานพระพรเพียงพอให้กับชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราทําตามสิ่งที่พระองค์ได้สั่งไว้คือพระวจนะของพระเจ้าเปรียสกเจ้าได้ตรัสว่าเราวางแบบอย่างไว้ให้แก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่าน ทำเหมือนดังที่เรากระทำแก่ท่านด้วยเมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขง่ายๆครับเงื่อนไขของการรับพระพรของพระเจ้านั้นคือเชื่อฟังนะครับในหลักการนี้เช่นเดียวกันลูกที่เชื่อฟังบิดามารดาเป็นไงครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเขาจะ ไปดีมาดีและมีมีชีวิตยืนนานบนแผ่นแผ่นดินโลกนี่คือเคล็ดลับของการที่จะมีอายุยืนนานมีสุขภาพดีและรับพระพรของพระเจ้าครับประการที่หนึ่งให้เรามีชีวิตที่เต็มความรักมีด้วยความรักประการที่สองให้เรามีชีวิตที่ถวายสิ่งที่มีอยู่แด่พระเจ้าประการที่สมให้เรามีชีวิตที่เชื่อฝังพระเจ้าและประการที่สี่ครับมีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูกิจเจ้า ถวายคำสาธุการแด่พระเจ้าด้วยขนมปังที่ชูขึ้นและหักออกและแจกให้กับคนทั้งหลายคำว่าสาธุการแปลว่าขอบพระคุณภาษาอังกฤษใช้คำว่ากิฟ t แตงขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้มีขนมปังแม้เพียงเล็กน้อยผมชอบใจเด็กกวีคนหนึ่งนะครับตอนที่ผมยังดูแล ที่เซนศึกษาอยู่นั้นเราให้เขาวาดขนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตัวนะครับแต่เขาวาดขนมปังก้อนเดียวครับและมีเส้นหกเส้นฟึดฟึดฟึดฟึดขนมปังห้าแผ่นนะครับเป็นขนมปังก้อนและมีมีเส้นเส้นเส้นนะครับสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้นะครับ เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าเราจะเห็นพระพรของพระเจ้านั้นอาจารย์ปโลจึงกล่าวว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพร่างกายเราขอบคุณพระเจ้าสาหรับอาหารยารักษาโรคขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัจจัยสขอบคุณพระเจ้าสาหรับปัจจัย5้าเมื่อก่อนเขาเรียกว่า โตโยต้าปัจจัยที่5ใช่ไหมครับตอนนี้เราสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่5นะขาดสมาร์ทโฟนนี่เหมือนกับขาดใจนะครับตื่นมาระหว่างคว้าสมาร์ทโฟนกับคว้าเั้าพิธีเลือกอันไหนครับผมคว้าสมาร์ทโฟนเพราะมันไปปิดไอนาฬิกาปลุกครับใช้โทรศัพท์ปลุกนาฬิกเป็นนาฬิกาปลุกผมก็เชื่อว่าพี่น้อง หลายๆคนนะครับเมื่อเราตื่นมาเราจะคว้าโทรศัพท์ก่อนนะครับมาดูว่าเมื่อคืนมีใครส่งข้อความมาบ้างใครไลน์มาบ้างกลุ่มเราว่าไงครับกลุ่มพระกัมพีว่าไงวันนี้มีมีมาณามาหรือยังนะครับมาณาว่าไงโอเคก็ขอบคุณพระเจ้าใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วขอบคุณเจ้าสิ่งเล็กเล็กน้อยเหล่านี้นครับจากชีวิตประจําวันของเรานะครับและเราก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าเพระเาพระชีวิตของเราแล้ว จริงๆแล้วนั้นพระเจ้าทรงดูแลเราทุกอย่างนะครับมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับหาอาชีพต่างๆทำจับพัดจับถูวันหนึ่งก็ต้องไปทำงานก่อสร้างนะครับไปเป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างปรากว่าไม่รู้เดินตรวจงานท่าไหนนะครับตกจากชั้นสามลงมา ร่วงมาถึงชั้นหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีแขนขาหักหัวแตกอะไรบ้างไงนะครับแต่แค่ถลอกปอกเปิกนิดเดียวนะครับเขาบอกขอบคุณพระเจ้าที่ตกจากตึกชั้นสามแล้วไม่เป็นอะไรมากนะครเรามีอะไรที่ขอบคุณพระเจ้าไหมครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์ทรงดูแลนะครับ เราอยู่เสมอกับพพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับขนมปังที่ห้าก้อนกับปลาสองตัวสุดท้ายพระพรล้นเหลือครับเหลืออีกสิบสองกระบุงนะครับห่อไว้กินพรุ่งนี้เช้าได้นะฮะประการที่ห้าครับชีวิตที่ไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยนะครับสิบสองกระบุงนี้คือเศษอาหารที่เหลือนะครับเศษขนมปังที่เหลือเก็บได้สิบสองกระบุงถ้าเขาทิ้งไป ถ้าพี่เยซูบอกเอ อ, อไปเราเสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะขนมปังก็ทิ้งไปมันก็เป็นปุ๋ยอยู่แถวนั้นแต่พี่เยซูสั่งให้เขาเก็บปรากฏว่าสิ่งเล็กๆนไม่ใช่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นที่เหลือนั้นได้อีกสิบสองกระบุงเราเห็นถึงพระพรของพระเจ้าจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั้นก็ได้นะครับความห่วงใยของคนที่อยู่รอบข้างรอยยิ้มของคนที่อยู่รอบข้างนะครับมันทำให้เรานั้นได้รับพระพรของพระเจ้าอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามคนเล็กน้อยนะครับยิ่งคนเล็กน้อยเท่าไหร่นะครับคนเหล่านั้นน่ สำคัญมากในสายตาของพระเจ้าพระเยซูริจเจ้าได้บอกว่าแม้ว่าเราเอาน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งให้กับคนเล็กน้อยเพราะว่าเป็นศธิ์ของพระองค์คนนั้นก็จะไม่ขาดบำเน็จเลยนะครับแต่ปกติคนทั่วไปเขาเราจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับคนใหญ่ๆโตๆใช่ไหมครับคนที่มีเกียรติคนมีชื่อเสียง กับคนเล็กน้อยคนที่เรียนน้อยไม่ค่อยมีใครสนใจคนที่ทำงานต่ำก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแต่ถ้าด็อกเตอร์มานะครับนะครับจะต้องอดูแลอย่างดีให้เกียรติอย่างสูงนะครับมีการประชุมครั้งหนึ่งในการประชุมสมัชชาสภาคริศจับนะครับมีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับ ได้ถูกเชิญให้มาเป็นประธานในการเลือกตั้งสมาชิกในที่ประชุมบอกเรียนท่านประธานที่ทร ง, งเกียรตินะครับประธานท่านรีบตัดบททันทีนะครับผมไม่เป็นผู้ที่มีทรงเกียรติผมเป็นผู้ที่เล็กน้อยที่ถูกเลือกมาเป็นประธานณที่นี้ เวลานี้เท่านั้นผู้ที่ทรงเกียรติก็คือพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องที่รักครับอาจจะมีคนที่เล็กน้อยอยู่ในเราอยู่ท่ามกลางเราอย่ามองข้ามคนเหล่านั้นนะครับเมื่อเราดูแลเขาพระพรของพระเจ้าก็อยู่ท่ามกลางเราแต่มีสิ่งเล็กน้อยอีกประการหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามเช่นเดียวกันนั่นคือบาปเล็กน้อยอย่าคิดว่ามันเล็กน้อย ชามมันเถอะลืมมันไปโกรธคนนั้นเออไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เวลา เ, ออเดี๋ยวมันก็หายไปใช้เวลานิดเดียวนะครับบาปเล็กๆน้อยๆที่ถูกซ่อนไว้มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นแล้วจะอาจจะกลบเกลื่อนไม่ให้คนอื่นรู้ได้แต่พระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เราจัดการกับสิ่ง เล็กๆน้อยๆเหล่านั้นที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอว่าไทยเพื่อชีวิตของเราจะบริสุทธิ์จำค่อพระภัก์ของพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นล่ะครับจะถ้าเราไม่ได้จัดการมันจะเป็นเหตุที่ทำให้พระพรของพระเจ้ากระเด็นแทนที่จะมาเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าแต่พระพรของพระเจ้าจก็จะกระเด็นไปที่อื่นมันเป็นเหมือนกับ บบเล็กน้อยเป็นเหมือนเม็ดทรายที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าของนักเดินทางถ้านักเดินทางนั้นมีเม็ดทรายเม็ดกรวดหลุดเข้าไปในรองเท้าเขานะครับถ้าไม่ได้เอาออกนะครับเดินไปเท้านั้นก็จะเสียดสีกับเม็ดทรายนั้นไปเรื่อยเรืื่อยื่แล้วในที่สุดมันก็จะทําให้เท้าของเขาบวม อักเสบและไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้บางครั้งลูกชายผมเนี่ยชอบเล่นบอล น, นะครับบางทีลูกยางที่สนามยาเทียมมันหลุดเข้าไปในรองเท้าเนี่ยเราเคาะที่บ้านเนี่ยโหนะครับบางบางครั้งได้เป็นช้อนกาแฟเลยนะแต่ถ้ามันเป็นเม็ดซายนี่จะเดินลำบากเลยพี่น้องที่รักครับ อย่าให้เรามีความบาปที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเรารู้ตัวให้เราสารภาพกับพระเจ้าเพื่อว่าพระพรของพระเจ้านั้นจะล้นไหลและเทมาถึงชีวิตของเราครับอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆที่เป็นพระพรและอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆที่มันเป็นจุดขัดพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราประการที่6ครับรองสุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะครับเปิด ชีวิตที่เปิดใจกว้างเหมือนกระบุงนะครับกระบุงนั้นเมื่อเราเขาเปิดออกมันเก็บสิ่งที่เหลืออยู่นั้นได้อีกมากมายเมื่อเราเปิดใจกว้างพระพรของพระเจ้าก็เข้ามาชีวิตในชีวิตของเราแต่ถ้าเราเป็นเหมือนแก้วที่มีน้ำเต็มหรือว่าขวดที่มีน้ำเต็ม อะไรก็เข้าไปไม่ได้นะครับเราจะเติมน้ำก็ล้นเราจะเติมอะไรเข้าไปก็ล้นไม่สามารถที่จะเติมอะไรเข้าไปได้ให้เราเป็นเหมือนแก้วที่ว่างเปล่าพร้อมที่จะรับพระพรอของพระเจ้าเหมือนเพลงในเพลงชีวิตคริสเตียนบอกว่าภาชนะว่างเปล่าเอามาแล้วพระเจ้าจะเติมให้ล้นไหลในชีวิตของเราพระวิญญาณเบริสุดของพระเจ้า เติมพระพรในชีวิตของเราอย่างล้นไหลเมื่อเราท่อมใจลงต่อพระองค์พระองค์จะสอนในชีวิตของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและเราจะเข้าใจในน้ําพระทัยของพระเจ้าและเดินตามกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดมีเพื่อนสองคนนะครับผมอาจจะเคยเล่าแล้วนะครับว่า คนนึงเป็นคริสเตียนอีกคนหนึ่งไม่เป็นนะครับไอคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนี่ชอบตกเบ็ดนะครับเวลาวันหยุดนะครับเพื่อนคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนี่ก็มักจะชวนเพื่อนที่เป็นคริสเตียนว่าชวนไปตกเบ็ดอยู่เรื่อยนะครับแต่เพื่อนที่เป็นคริสเตียนก็จะบอกว่าเอ้ยไปไม่ได้วันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์นะครับเราสองคนก็แยกจากกันมาเจอวันอาทิตย์ คนที่ตกเบ็ดก็ชวนไปไปตกเบ็ดอีกคนที่เป็นคริสเตียนก็ปฏิเสธอีกว่าไปโบสไม่ว่างนะฮะแล้วจนคนที่อชอบตกเบ็ดนี่ก็เบื่อที่จะชวนแล้วแล้วลำลำคาญด้วยนะครับก็บอกว่านี่นายเป็นเพื่อนภาษาอะไรไม่มีน้ําใจฉันเนี่ยชอบตกเบ็ดฉันยังชวนนายไปตกเบ็ดด้วยเลย แต่นายไปโบสมีอะไรนั่งหนาที่โบสไม่เห็นชวนฉันไปเลยนะครับให้เราเป็นคนที่ชวนคนอื่นไปโบสด้วยนะครับเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับนำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นพราะวัจนะของพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นในเวลาอันสมควร น, นะครับประการสุดท้ายครับที่เราจะ ในจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราจะรับพระพรของพระเจ้าร่วมกันนะครับชีวิตที่ให้เวลากับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอนะครับในข้อที่45 46บอกว่าครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้สาวกของพระองค์ลงเรือไปอยังเบสไสดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นไปภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั้น หลังจากเสร็จกิจวัตรหรือว่างานทั้งหมดพระเยซูคริสต์เจ้าใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าหรือเราจะพบพระคัมภีร์ในโดยเฉพาะพระธรรมลูกัาที่เน้นเรื่องของการอธิษฐานเนี่ยแต่เช้าตรู่นะครับก่อนที่จะทำอะไรอะไรเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะอธิษฐานก่อนเขาเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวบางครั้งพระองค์อธิษฐานแต่เช้าตรู่นะครับ การเลี้ยงประชาชนเหล่านี้ก็จบลงด้วยการอธิษฐานและพระเยซูพระเจ้า ก, ก็ไปอธิษฐานใช้เวลาส่วนตัวกับพระบิดากับพระเจ้าส่วนตัวนะครับในยอห์นบทที่15ข้อ4ข้อ5นั่นคือเคล็ดลับเคล็ดลับของการที่จะรับพระพรของพระเจ้าพระเยซูพระเะจ้าตรัสว่าจงเข้าสนิทยอยู่ในเราและเราเข้าสนิทยอยู่ในท่ทานทั้งหลายแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากหยุดติดอยู่กับเถาชันใดท่านทั้ ง, ทงหลายจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจาก ติดกับเราฉันนั้นชีวิตคริสเตียนเราติดสนิทยอยู่กับพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยวและการใช้พระโอษณะของพระเจ้านั้นในกา ร, รดําเนินชีวิตดํารงชีวิตประจําวันนะครับการติดสนิทกับพระเจ้ากันหรือว่อาการไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแค่การเฝ้าเดียวอธิษฐานใครครวญนมันสการส่วนตัวแล้วก็ออกไปแต่ออกไปด้วยพระวอนะของพระเจ้าที่ใครครวนนั้น นั่นคือการติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและในข้อที่16ของยอห์นบทที่15บ้านีบอกว่าเมื่อเขาทูลเมื่อทั้งหลายทูลขอสิ่งใดในนามพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านแต่ว่าพี่น้องครับมีเงื่อนไขที่กลับไปที่ข้อที่หนึ่งอีกแล้วครับสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน นะครับนั่นชีวิตของเกื้เสียนั้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักนะครับเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเชื่อฟังในพระเจ้าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการถวายเวลาให้กับพระเจ้าถวายความสามารถของเราที่มีอยู่นั้นให้กับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าอย่างส ม, ม, ม่ำเส ม, มอเราขับรถเราก็อธิษฐานได้เราก็ฟังเพลงได้เราลงเรือเราเดินทาง หรือเราทํากิจวรรัตรเราทําอะไรก็ให้เราทําให้เป็นเป็นเสมือนกับว่าเราทํากับพระเจ้าไม่ใช่ทํากับมนุษย์นั่นแหละครับคือชีวิตที่เราติดสนดิทอยู่กับพระเจ้าและให้เราให้เวลากับพระองค์เพื่อที่จะคุยกับพระองค์อยู่เสมออย่างสม่ํามเสมอเราคุยกับพระองค์ตอนเช้านั่นหมายความว่าเราใช้เวลากับพระองค์เพื่อจะขอการทรงนำจากพระองค์เพื่อเราจะเรียนรู้ว่า พระองค์จะบอกอะไรกับเราว่าเราควรจะทําอะไรแล้วหมดวันก่อนที่จะล้มตัวลงนอนบนหมอนอันสบายทําอะไรครับไข้ค ร, ครวญว่าวันนี้พระเจ้าทรงนําอะไรมาบ้างเราขอบคุณพระเจ้าอะไรมีอะไรที่เราควรจะที่เราขอบคุณพระเจ้าบ้างมีอะไรที่เราผิดพลาดสิ่งเล็กๆที่ซ่อนอยู่นั้นจัดการ ให้พระเจ้ามอบไปกับพระเจ้าและอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ให้เรามอบไปกับพระเจ้าเพื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะได้อยู่ในน้าพระทัยของพระเจ้าอยู่ในพระพรของพระเจ้าบางคนอาจจะบอกว่าชีวิตของฉันมันช่างจืดชืดไม่เห็นมีการอัศจรรย์อะไรเลยครับท้าชวนพี่น้องว่าให้เรามีชีวิตเต็ไมไปด้วยความรักรู้จักแบ่งปันรู้จักที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เปิดใจกว้างไปสู่ผู้คนรับฟังความคิดเห็นของเขาแบ่งปันความคิดแบ่งปันสิ่งที่ดีดกับเขาอย่าปิดซ่อนสิ่งที่อย่ามองข้ามคนเล็กน้อยอย่ามองข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเรามีนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับเขาได้พูดกับเพื่อนๆของเขาว่า เพื่อเห็นแก่ธุรกิจการคา้าเพื่อเห็นแก่ตัวของเราเองเพื่อเห็นแก่ลูกหลานของเราและเห็นแก่ชาติของเราขอให้เราเป็นนักขอให้พวกเราซึ่งเป็นนักธุรกิจทั้งปวงจงรักคริสจักรให้มากขึ้นสิ่งใดที่เราถือว่าเป็นของเรานับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้เราอุทิศแก่คริสจักรเราจงอุทิศเวลาให้มากขึ้นจงอุทิศเงินให้มากขึ้นอุทิศความคิดให้มากขึ้น แก้กิจจักรของเราเพื่อพระพรของพระเจ้าจะอยู่ได้ท่ามกลางเราครับถ้าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความรักเราจะรับพระพรของพระเจ้าถ้าชีวิตของเราถวายสิ่งที่มีอยู่แด่พระเจ้านั้นเราจะรับพระพรของพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราก็รับพระพรของพระเจ้าถ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าเราก็เห็นพระพรและเราก็ได้รับพระพรของพระเจ้าถ้าเราไม่มองข้ามสิ่ง เล็กๆน้อยๆเราก็จะรับพระพรของพระเจ้าถ้าเราเปิดใจกว้างเราก็จะรับพระพรของพระเจ้าและเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าอยังสม่ำเสม อ, สมอก็เป็นพระพรของพระเจ้าและเป็นชีวิตที่พระเจ้าจะวยพรเราตลอดชีวิตขอให้ปีใหม่อีก51สบสัปดาห์ที่เราจะรับพระพรของพระเจ้าและเป็นพรแก่กันและกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยขับลงทั้งหลายโปรดให้พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จในชีวิตของรับของหลายที่จะเต็มไปด้วยความรักรู้จักถวายแด่พระองค์เชื่อฟังพระองค์ขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอมีใจที่กว้างรู้จักและสามารถที่จะจัดเวลาให้กับพระองค์ในแต่ละวันได้อย่างสม่ําเสมอขอโปรดอวพรทุกชีวิตเพื่อข้างหลายจะถวายจิียรตยศแด่พระองค์และโปรดอวพร ตลอดปีใหม่ปี2017ที่ข้างหลายจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์และที่ข้างหลายจะรับพระพรและเป็นพรต่อไปอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์และมอบซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมน